กุศล ค, คืออกุศลกุศลคืออะไรมันให้ผลเป็นอย่างไรมันดีอย่างไรอนนะผลกําไรของออกุศลคืออะไ ร, กไรอกุศลคืออะไรผลกําไรแห่งอกุศลคืออะไรอะไรคือสิ่งที่มีโทษอะไรคือสิ่งที่ไม่มีโทษ น, นะพวกนี้ต้องทวกทรงจําเทวทูตสูตรเป็นต้นเนี่ยนะเหตุแห่งนรกเปรตอ secrets, อสุรกายเดรัจฉานเหตุแห่งมนุษย์เทวดาเป็นต้นเนี่ยจะต้องมาค่อยๆกำหนดไล่สิ่งเหล่านี้ให้ดีไม่งั้นเนี่ยมันเริ่มสับสนพอเริ่มสับสนเข้าพอเริ่มสงสัยเข้าใจก็ไม่เอาละ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 ก็เป็นการละที่แน่นอนเป็นการละที่ที่เรียกว่าอะไรมีกุศลธรรมรองรับมากมายหลายอย่างด้วยกันหรือกุศ ล, ธร ร, ล, ธ, นะลธรรมที่ละทีนมิทะเนี่ยนะกุศลธรรมที่ละทีนมิทะก็คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะที่เป็นไปกับอาโลกสัญญาขณะนั้นก็สามารถที่จะละทีนมิทะได้ก็ไม่ใช่ว่าแค่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 เป็นองค์กร Menschen, <S <S <an> <S ที่มีความสมัครสมานสามาัคคีกันไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวไกลหน้า thi, นนทีา่ซึ่งกันและกัน world, ทุกคนมีความเคารพซึ่งกันและกันอทํางานตามความรู้ความสามารถทําตามหน้าที่ของตนของตนทําด้วยความรับผิดชอบเนี <S <S <an> ่ยนะทำด้วยความเอาใจใส่ฝักใฝ่ไม่ทิ้งแล้วก็ทุกคนก็ให้เกียรติกันและกันทุกคนก <S an> ็มีความเคารพซึ่งกันและกันตามฐานะ <S an> <S an> <S an> ตามสมควรฉันใดกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตก็เหมือนกัน เมื am, ่อกุศลธรรมเหล่านั n ale, n ana, am, ้นม mm. ีความสมัครสมานสามัคค ah ีกันเนี่ยนะกุศลธรรมที t t ่เก ah ิดขึ้นในขณะนั id, ้นอ่ะเครียกว่ากุศลธรรมเกินห้าสิบอนะองค์กรใหญ่มากเลยในในองค์กรการเจริญกุศลในจิตนั้นอ่ะมีอยู่เกินห้าสิบทั้นกุศลธรรมเกินห้าสิบเหล่าเนี้ยทํำยังไงเขาจะมีความสมัครสมานมีความสามัคคีกันมีความปรองดองกันและกุศลธรรมแต่ละอย่างที่อยู่ในนั้นก็ทํางานเต็มหน้าที่เนี่ยนะทำงานเต็มกิจทํางานเต็มหน้าที่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 น้อมไปเพื่อ ย, ยินดีในกามน้อมไปเพื่อ ย, ยิยนดีในรูปเสียงเปลี่ยนรสโภทภะทั้งหลายน้อมไปยินดีในเรื่องราวในกามคุณทั้งหลายเมื่อใจยินดีน้อมไปในกามคุณทั้งหลายใจก็ไม่ยิย น, ด น, รรรยยนดีในกุศลธรรมเมื่อใจไม่ยินดีในกุศลธรรมไม่ยินดีในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อใจไม่ยิยนดีไปในสมถะและวิปัสสนาจิตใจก็แห้งแล้งอับเฉาไปเรื่อยๆ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 เอาถามว่าทําไมเพราะให้เวลาชีวิตตั้งอาทิตย์หนึ่งอะ่ะนะมีเวลาชีวิตอีกตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วมันได้เท่าเกา่าหรือเลว ก, กลว่าเก่าก็แปลว่าตกต่ําเนี่ยแล้วก็แปลว่าตกต่ำํำแล้วเรียกว่าภาวนาได้ยังไงก็เรียกอะไรกันนี้ตรงกันข้ามกับภาวนาก็คือไม่ใช่ภาวนานก็แป ล, ล, ละนะว่าลดลงอ่ะนะเ้าเรียกว่าลดลงพ่านก็ต้องวัดทุกๆแม้กระทั่งว่าโดยธรรมดาต้องวัดทุกเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็าเรียกพูดไปจริงอันนี้ค่อนข้างยากพอสมควรนะนะ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 ก็คือแต่เป็นอัปปนาและกุศลธรรมแต่และตัวเนี่ยมหัคคตะที่ที่แข็งแรงมากมีพละมากมีกําลังมากอินทรีย์พละโพชงเนี่ยแต่และตัวนี้แข็งแรงจริงจึงจะเรียกว่าตัดตัดอะไรนะเริ่มมันถูกตัดออกไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนแรกก็ตัดวิโตวิจารณ์ตัดบีติตัดความสุข <attacking. S 2> เหลืออุเบกขาเดี๋ยนะเหลืออุเบกขาที่นี้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 แต่ว่ามันเกิดจากการเจริญขึ้นท่านก็เลยมาคิดว่าคือคนที่เจริญกุศลธรรมเหล่านี้อินรียห้าเยี่ยมนะจะต้องศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานี่ดีนะแต่ว่าไม่ได้เจริญเพื่ออาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะนะแต่ว่าเจริญเพื่อเข้าถึงกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นมันจะต้องอาศัยศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญา